ลูกคุณี่ผมมีหลายคนคนนั้นเหล่านั้นเหลนั้นกูก็ไม่ว่ามันละหมายว่าคู่พูดทยลูกผู้หญิงไม่เกี่ยวข้องนะลูกผู่ชาูกก็มีหลายคนแต่นอกนั้นเออคือกูก็ไม่เสนกจอะไรกับมันพอจะอาศัยมันได้ว่างบักบ้วานี่ว่างว่างนี่เลยนะพี่พ่อไม่เคยชมอะไรอะไรไม่เคยชมนี่แต่กดลเรื่อยๆมีสายพ่อกับแม่เราเป็นี้ มนมีเพราะงั้นทำการทํางานอะไรแล้วกูไว้ใจมันได้ทุกอย่างกูทํานึ่สู้มันไม่ได้หวังลูกคนนึงกูไว้ใจที่สุดฟังงี้ถ้าลงไม่ได้ทําอะไรแล้วต้องอนิ่งๆต้องเยียบไปหมดไม่มีที่จะได้ตํางหนี้ติดเตียนกูยังสู้มันไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานนั้นมั น, ม, นมันเต็มจริงอีกย่งกูยกให้ลูกกูทั้งหมดนีบักนี่ละตัวสำคัเรื่องการงานที่ไว้ใจได้หวัง แต่ผู้ขอให้มันบวชสักที่เราไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนนั่นมันไม่มีปากเหมือนวงเหมือนไม่มีเสือมันไม่มีเมมมสียงที่ไหวนว่างนี้แหละมีเวลากูตายแล้วมันมีใครพู้จะลากผู้ขึ้นจากม้อญนรกมาเี้ยงลูกว่าท่านอะไรูพอจะได้อาศัยกูก็ไม่ได้เรื่องผู้ฆ่ากูา้อาศัยบังบัวไม่ได้นะผู้ก็หมดสังเวยพอว่างนั้นน้ําตาโหยล่วงน้ำตกต่อเต่าเรามองไปเห็นแม่ก็มองไปเห็นพ่อน้ําตาล่วงแม่ก็น้ําตาร่วงเราก็โดนกรอกจับ กินรับทานเลยปุ๊บปั๊บหนูเลยนั่นแหะเป็นต้นเหตุที่ให้เราได้ตัดสินใจบวชมันมีเหตุแบบนั้นไปคิดไปตั้งสามวันไม่หยุดไม่ยอมรับทานร่วมเลยในสามวันนั้นผมไม่ยอมรับทานร่วมพระแม่ผมกินบุกหิมผมนี้หนีนี้นะแก็คิดไม่หยุดไม่ถอยคิดถึงเรื่องเอามาเทียบมาเทียบเพืเอนโง่ไงที่เขาบวชต่างศาสนาคู่วาา่ากันคือ บวชแต่จนวนมากการบวชนี่ไม่ใช่การเหมือนเขาติดคุกติดตารางหมือกันเขาติดแม้เขาติดคุกติดตารางตลอแต่ลอดจีวิตเขาก็ยังพ้นออกมาได้มีเราไม่ใช่ติดคุกติดตารางมุกเพื่อนทั้งหลายเขาเป็นบวชเขาเป็นบวได้เขาเป็นคนเหมือนกันแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบวชจะเป็นต้นผานจารวัฒท่านยังอยู่ได้เียบได้เราก็เป็นคนทั้งคนพ่อแม่เลี้ยงมาเหมือนคนทัหายอย่างอื่นเัานคนได้โอนได้คนได้แต่การบวชนี่มันเหมือนติดคุกติดตารางเฉลย เราถึงจะบวชไม่ได้แล้วเราทำไมถึงได้อนั่งหนาตามตามานั่งหนาขอบเพื่อนสูงหนาพอถึงขนาดพ่อแม่เป็นน้ำตาล่วงเพรเรานี่ไม่สมควรอย่างยิ่งอยเอาชนะเองทพวกไปเรียนมาเอาคร้งวันดียนั่นได้สามวันตัดถึงนใจปุ๊บได้เลยตายจะบวชไม่ได้ต า, าตายก็ตายตายลองเลยี่เขาบวชมาไม่เห็นตายเพราะสืออไป น, นี้พ่อแม่ก็ไม่ได้บอกว่าให้บวชจนถึงวันตายมันบวชให้พ่อแม่ม ปีสองปีได้เวลาอ ะ, ะไรก็อพอแม่เน้นว่างนาดนะธรรมะมันเปนจะบวชไม่ได้หะเราคนคนหนึ่งจะแค่นี mm ้ hmm. อาต้องบวชหรือพอลมใจแล้วก็ดืไม่มาบอส ก, mm hmm. กับพ่อแม่กับแม่แต่ อ, อ่เรื่องการบวชจะบวช้ห้แต่ว่าใครจะมาบังคับไม่ให้สึกไม่ได้นะบวชแล้วจะถึงเมื่อไรก็เสร็จ mm hmm. ใครจะมาบังคับว่าต้องเท่านั้นตีเท่านี้เดือนนไม่ได้ไหรอกมันมีมี ฟัออกดูหน้ามัน ด, ดูที่ทิศถิมันนั่งมันแต่แล้แม่แม่ทลากรลูกเออไม่ว่าเนื่องไม่ว่ า, วาขอให้ลูกเป็นบวชให้แม่เห็นต่อนหน้าต่อตาแล้วฝึกออกมาแล้ว ท, ท่านท่านดีคนก็กําลังไปพอบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านท่านดีคนที่ไปบวชจะไม่กลับบ้านประตามแล้วมาสึกต่อนหน้าต่อตาคนแม่ทำไมว่าหลานนี่นั่นแต่ปัญหาเรานักใครจะมาฝึกได้ต่อนหน้าต่อตาคนไม่บวชท่านมันดีกว่าที่จะบวชแล้วมาสึกต่อนหน้าต่าตาคนมึนงก้นขาย ที่หนานี่วาอะไรอีกน่ะไปบวชเนี่ยแต่เรามันจริงมี่สายเราบวชตั้งใจบวชตั้งแต่บัดนี้นะนัะ่งสอนเจ้าของพอแม่มันเนี่ยมาติดสายห้อยทางคอยตักคอยตือนแม้แต่เวลานอนหลับพรอไม่มีใครมาปลุกนะแต่สอนเราจะไปไหนแต่เช้าเช้านี่บอกแม่นะ่ะส่วนมากนีนจะบอกแม่ถ้าปลุกดันเรืมีช้าจะออกสารตุละแต่เช้า แม่ก็บลุกไป่้ายแล้วก็ไปเลแล้วก็ล้มนอนตนุ้มน่เหมือนตายคลอดอะไรหมดพลอะทิ้งแล้วว่าแม่จะปลุกไม่สนใจเรื่องการตื่นอพอถึงเวลาแม่ก็บลุกตุ้มแล้วก็ไปอย่างว่าทีนี้แม่คงจะเห็นอย่างนั้นแ่ะถิดกันกับพี่ชายพี่ชายบอกพรุ่งนี้เช้าแม่ปลุกหน่อยนะยังไม่ปลุกมันตื่นซะก่อนตายก่อนเนี้ยอะนรไอ้ลูกปลุก ค, คนนั่นมันก็ดีแบบนแต่ลูกปลุกคนนี้เรื่องการเรื่องงานนั้นมันก็ยกให้ไม่มีอะไร ไม่มีใครสู้ว่างั้นเ่ยในลูกข้างหล่แต่เวลามันนอนมันเหมือนตายนี่ยแล้วนัอนอ ก, นกนอู่นักใจกับมันเวลามันไปเป็นพระนี่กลัวมันใครจะปลุกมันน้าว่างั้นนี่นักใจตรงนี้อยู่ไม่มีเทลาไปเทียวมันจะตื่นขึ้นมาก่อนแล้วไปเลยโดยเราไม่ระปลกถ้าเราไม่ได้บอกว่าให้ปลุกมันหน้าวันพวกนี้จะไปแล้วมันงอ น, น ต้องไ้ปลุกทุกทีลูกคนนี้เนี่ยแม่เป็นข้อหนักใจกว่านี่แมเอาไปาวิภาควิจารแต่เราก็ไม่พูดเราได้ยินคนอื่นเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเราไม่ตำหนิเราไม่ติดหาทางตำหนิไม่ได้เราอยากยังอยกักให้มันเป็นผู้หญิงตัวเองแม่จะได้เบามือนี่พ่อแขนสบายหล่ามี่พ่เก้าวจากบ้านเอาแล้วนะนี่ไม่มีใครจะตามแนะนําตัดเือนเราตลอดทั้งการ หับการตื่นไม่มีใครจุกแล้วนะเราต้องเป็นเราจินตั้งแต่บัดนั้นเลยสิบตีสี่นอนเรียนหนังสือตีสี่นอนตีห้าสว่างเดือนนี่ยเดือนมิถุนากระดาษพอตีห้าสว่างพอสว่างท่านนมทำวัดแต่เท้าก่อนแล้วทุกคอดินสบายมันตื่นทันเห็นไหมผมก็แปลกเหมือนกันนะมันตั้งค่าให้มันอย่างจริงจังไม่เคยพลาดเลยจะนอน ตีสองตีสามตีสี่เรื่องธรรมะนั่นในพันในเวลาพรรษานี้ตั้งสัจจะกธิษฐานไว้เลยว่าจะไม่ขาดทั้งเช้าทั้งเย็นการธรรมดแล้วกลาบเยนท่านประคุณไว้ด้วยท่านถามว่าท่านสั่งให้เราไปที่ไหนถูกมิมนั้นไปที่ไหนท่านเป็นคนจัดให้เราไปนี่ก็ให้ท่านรอเดือนทา้งเรากลับมาถึงให้ธรรมดไว้ว่างนี่นะมีหมายที่ธรรมดส่วนรวมส่วนบุู่กติเราทำอีที่นี่ทีเราอธิษฐานในเรื่องส่วนรวมเวลาบวชแล้วตั้งหน้าต่างชาปฏิบัติ น้าสันตายเรียนหนังสือมีเล่าเป็นคติให้หมุด้วนฟังซะก่อนเรื่องความจริงจันเรียนเรียนจริงๆไม่ถอยแต่สาคัญที่เรียนธรรมะเข้าไปเป็นไหนทํามันสะดุดใจที่จะเอ้ยเข้าคนเข้าคนเข้าคนเข้าไปเรื่อยๆอนี้มันก็เข้ากับเรามัจริงอยู่แล้วธรรมะเป็นของจริงอยู่แล้วมิสชยจิงเมื่อเข้ากันได้เอ้ยเข้บคนเข้าคนอ่านประวัติ พุทธประวัตินี้เข้าไปอ่านสามวัคประวัติเข้าไปโอ้โหเอาแล้วที่หมุนติ๋วติ๋ว ท, ที่นั่นแหละเรื่องที่จะที่จะอยู่ไปได้เรื่องขภายนอกก็ไปจางไปจางไปเรื่องธรรมะก็หมุนติ๋วติ๋วดูดดื่มเข้าไปเรื่อยเร่ยจนกระทั่งเดาตั้งสัจธถามในระเดียนหนังสือเมื่อจบรเรียนสามประโยคแล้วเราจะออกโดยสายเดียวเท่านั้นมันมีข้อแม้มันมีเงื่อนไขพรอยากพ้นทุกข์เหลือเกินคุณในหน้าอยากเป็นพระอรหันต์นั่นเอง เหนพระพุทธเจ้ากเป็นประาราหันาวกทั้งหลายออมาาัมม น, อ น, มอนออกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระชาห์มหาเจรษฐีกูรุงพีพระฆาประชาชนตลอดคนธรรมดาองค์ไหนออกมาจากสกุลใดไปบำเพ็ญในป่าในเขาในหลังจากได้รับเทวว่าจากพระเจ้าแล้วแล้วองค์นั้นสําเร็จพระาราหันอูที่นั่นองค์นั้นสําเร็จอยู่ที่นั่นองค์นั้นสมเร็จอยู่ป่านั่งอยู่ในเขาลูกนั่นอยู่ในทําเลนี้มีจังจะที่สงบสงัด การประกอบความทาาเสียงท่านทาําเอาจริงเอาจังเป็นเนื้อเป็นหนังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าสิ่งท่านมาทําแล้วละและเลยเล่ลลเนหรือดุคัมคัมเหมือนอย่างเราทั้งหลายทาผลของท่านแสดงออกมาเป็นความเป็นพระรามวิเศษวิเศษนี่มันถึงใจเพราิง ม, มุ่งมั่นจริงีรีงจิตมันเลยมุ่งถึงความอาราตบตะบุคคลเต็มหัวใจอยากเป็นพระร า, ามองค์ขอให้แน่ใจเถอะว่าทำนี้มรรคผนิพพานยังมีอยู่แล้วเราจะเอาให้ได้ไม่ได้เอาตาย มีเท่านั้นมันมีอย่างอื่นนะขอให้มีผู้หนึ่งผู้ใดผู้วาอาจารย์ก็ตามใครก็ตามมาชี้อธิาอบายให้เราทราบว่ามงคลนิพพานยังมีอยู่เป็นที่ถึงใจเรแล้ ว, ลวนั้นหละการปฏิบัติทของเราตัวมงคลนิพพานจะเอาให้ถึงใจเอาให้ตาไม่ตาให้รู้มีเท่านั้นเห็นพอออกจากเรียนนี้โดดถึงเลยอยู่ต่อไปไม่ได้เรียนประโยชน์ามจบแล้วนี่เรียนประโยชนีก็ผิดนะว่าง่าไงสอบไปแล้วยิ่งผิด มันถือเป็น ไ, ได้ถ้าลงคำสั่งได้ตั้งขนาด น, นั้นมันมีอะไรใหญ่ยิย่งกว่าคำาสั่งที่ให้ตาจะดีกว่าถ้าลงคำสั่งได้ขาดไปนีสายามันเป็นอย่างนั้นมาดังเลย น, นี่ต้องมีขโมยหนีจากสมเด็จใช่ไหมหาวยวงมุ่งหน้าพอแม่โวยฌา์มั่นพอแบบถึงท่านเท่านั้นอธิบายท่านที่เกี่ยนแสดงเรื่องอะไรไหมวาเราจะมองดูท่านทางตาฟังท่งทานทางหู อะไรไม่มีคาดไม่ีเพื่อนการหลักทำหลักข้างในพูดอะไรกลงไปกลงมาเต็มเต่มต็เอนี่ละอาจารย์ของเราหนักลงนะแสดงถึงต้องมากผลยิ่พาไมเอามาจากไหนพอออากมาตัดเข้าใจเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้ า, นน า, นาเห็นไหมนี่หน้ามากผลิ่พานเห็นไหมเหมือนอย่างนั้น mm. เหมือนกับท่าไทายตลอเดเวลาการแสดงมาท่าไทายด้วยความจริงจังของท่านท่าไทายด้วยความจริงของธรรมความจริงทังของท่านห mm. มายท่า น, าา น, านเป็นผู้รู้ผู้เห็นเนี่ย ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเป็นผู้เห็นแล้วท่านยินเดี ม, ม, มาพูดมาเทศให้เราฟังท่านเป็นผู้รู้เองเห็นเองในธรรมทั้งหลายมาแสดงให้เราฟังก็ถึงตจนั่นแหละที่นี่มียิ่งเพิ่มพอเข้าถึงใจแล้วทีนี้จะจริงไหมมรรคนิพพานงสงสัยไหมที่นี่ไม่มีทางสงสัยหมดแล้วหนึ่งมรรคนิพพานมีอยู่หรือไม่มีนั้นเป็นอนาโมตัญญาแล้วโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่แม้เปอร์เซนต์หนึ่เลยเมรรคนิพพานมีแน่ร้อยเปอร์เซนเอาแล้วที่นี้จะจริงไหมจริงที่ไม่จริงให้ตายเสียะ ตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยเองทะ้งนั้นถึงสมุทรสมบ่ติมากการประกอบความเท่าเทีมของผมเป็นนิสัยอย่างนี้ด้วยไปไหนไมันจะเอาหมอเพื่อนไปด้วยอยู่คนเดียวดิบ ถ, ง ถ, งถงึงถึงถึงนั่นจนกระทา่งเดินมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมูเพื่อนโดยไม่ไม่ ไ, มไมด้นึกไม่คานใน่ฝันนะว่าผมจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมูเพื่อนเพราะนินนสยยัยของเรามันนิสัยคนเดียวถ้แพ้นิสยัยไม่ตาดธนารื่นมั่งใหญ่ไปสูงแล้วมันไม่เคยปรกากฏภารกิจใจเลย อยาเป็นใหญ่เป็นตัวอยา่างเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่เคยมีนี่เลยสบายสบายสมา ย, มา ย, มายเดินจนงกลมท่านอยู่ในวงหมู่เพื่อนท่านมาอยู่บ้านน้องผืออย่างเนี้ยผมจะเดินจงกลมให้หมู่เพื่อนเห็นไม่ได้นอนต้องเวลาสังัดสี่ทุ่มห้าทุ่มลงไปแล้วนั้นหมู่เพื่อนเงียบหมดแล้วผมจะลงเดินจนงกลมกลางวันเข้าไปอยู่ในป่าเพราะถาวรนายออกมาแต่วันขึ้าห้าโมงเย็นออกมาอย่างนี้ก็เขานั่งสมาธิเสียในสติ จนกระ ท, ทั่งถึงหมูเพื่อนเงียบไปหมดแล้วถึงจะลงทางนยงกรมเป็นนิสัยอย่างนั้นมาตั้งแต่ไม่ให้ใครเห็นใครเห็นการประกอบความเพียรเรืองเราก็เป็นขนาดไหนแต่ธรรมดาใครก็รู้ทางยงกรมมันจะเป็นขุมเป็นเหวไปมันใครจะไม่รู้เดินยงกรมอีกข้างมองมันถึงจะเป็นขนาดนั้นอยู่ในตาก็ได้ยิ น, น, ยนไม่มีคน ด, ดีมองดูมันก็รู้แต่นใสัยเป็นอย่างนี้ถ้าภาษาถ้าภาษาเขาบอกนิสัยรักความพอวางกันแต่เราไม่ทสนิทใจ ห็นบึกบืนเต็นที่จะอะไรจะบังคับบัญชายากยิ่งกว่าจิตไม่มีแต่ยังไงก็ตามไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความความฝึกความประมาณแต่หน้าต้องเอาจริงเอาจริงกับจิดฤาเหล็กมันเอาเรามันเอาจริงเอาจริงทาไมเราจะแก้ฤาษีเวลาจะแก้ฤาษีจะไม่จริงไม่จังมันจะทันกันเลยต้องคิดค้อนี้เสมอผู้ปฏิบัติทำมาที่นี่ทำมาแล้วก็ได้สอนหมู่เพื่อนอุบายวิธีความเข้มแข็งนั่นแหละ เป็นสิงที่ท่าห้กิเลสค่อยหลุดลอยไปโดยลําดักนะแต่ความข้อถอยอ่อนแอนี้ไม่มีทางนอกจากเป็นการเพิ่มกิเลสเราจะไปสงสัยกิเลสว่าจงหมดไปด้วยตามมัจจาสายของเราสิประกอบความเพียงเนี่ตามมัตจาสายตามอัไรสายนั่นเป็นมัจจาสัยกิเลสกิเลสลากไว้ดึงไว้ไม่ให้เดินมาหนักไม่มีสติสตังเฮอเราอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรม ต้องเป็นผู้เข็มแข็งอยู่ที่ไหนก็มีสติเสมอนี้พูดอยู่เสมอเราเห็นคุณค่าของสติมากทีเดียวสติเป็นที่ทำตั้มคัญมากในการที่จะให้งานไหนจากตัวใดยิ่งหมุนเตี้วก็ต้องจากตัวนี้ตัวสตินี่นหมุนไปก่อนสติต้องเป็นผู้ควบคุมงานงานมีกี่มากน้อยที่จะทำหนักเบาขนาดไหนมีคนงานกี่คนต้องมีคนคนุมคนหนึ่งจะได้อย่างน้อยมีต้องมีสติเป็นเครื่องควบคุมงานของตน อย่าเห่อยนเอะไปไหนก็ตามอย่าไปหวังสิ่งอะไรอะไรกับอะไรในโลกอันนี้โลกอันนี้เราทราบแล้วอย่างถึงใจว่าโลกอันนี้สางรอบโลกธาตุเป็มไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะเว้นจากอันนี้ความเป็นอินสัีย์สุขาราชต ไ, ได้เมื่อความเป็นอินทรีย์สุขาราชมีอยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นไม่เป็นปืนเป็นไฟจะจะเป็นอะไรว่าใจนั้นได้จริงจริงที่เป็นน้ำให้ความต้องเย็นใจเราคือน้ําอัดน้ำำําทําำเล่นเข้าไป ความภาความเกลียดมันจริงมันต่างให้มีสติเดินจงกรมก็ให้มีสติอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นใดว่าจะมีคุณค่ามีราคาอย่าไปเฟินกับความคิดความตึงของตนในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องโลกโลกทุกสารอย่เคยเป็นมาแล้วในอดีตก็ดีเป็นจะเป็นปนาณอนาคตก็ดีหรือมันเอาเรื่องอดีตมายุ่งอยู่ในปัจจุบัน นี่ก็ดีมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลทํางานอยู่ภายในหัวใจเรา ท, ทั้งที่เราเดินจงกรมอยู่นั่นแหละนั่งสมาธิภาวนานั่นแหละแต่กิเลสมันทํางานอยู่บนหัวใจเราตัวสมุทัยได้จากความคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตอนไรกวุ่นไปหมดถ้าคิดไปทั่วความวุ่นเช่นนั้นไม่ใช่ทางเป็นเรื่องการส่งเสริมกิเลสหรือสร้างสมกิเลสขึ้นอีกต่องมาใช้หลักปัจจุบันคือสติตัดความแฉดายความหงใยอะไรทั้งหมด ในเรื่องอดีตซึ่งเป็นโลกล้วนๆเรื่องอนาคตถ้าเป็นโลกล้วนๆเมื่ออดีตเป็นโลกล้วนๆอนาคตมันก็ต้องเป็นเป็นโลกล้วนๆล้วนๆเหมือนกันข า, าสติเป็นไปได้ทั้งอดีตแอนาคตหมุนติ้วอยู่ภายในหัวใจนั่นนั่นแหะให้รับความทุกข์ความลำบากถ้ า, าสติเจาะลงตรงไห น, นปัจจุบันมีอยู่ตรงนั้นนะหัดข้ามเป็นได้ที่ตรงนั้นเฮ้ย <He? S 1> หักห้ามมาแล้วนี่ไม่ใช่มาสอนหมู่คนเฉยๆฟาดสลังบางครั้งถึงน้ําตาร่วงเลย ออเอออาขนาดที่จะนี่ยวเหลือ่อนไม่ขนาดนี้ยี่เหลือยมันดูแลแต่เหลือที่ทาให้ถึงขนาดนี้วะว่าเราจะเพียงน้ําตาร่วงเท่านี้วะตายแต่ยันจะไม่ถอยนี่นเนย่ามาพูดเลยเพียน้ําตา น, นี่นะเพียงเผ็ดมันก็ออกไอ้น้ําตาลมันได้เรื่องอะไรถูกพานไฟมันก็ออกนหัวละมันก็ออกเล่าให้มันก็ออกนมันได้เรื่องอะไรเรื่องจริงเรื่องจริงที่จะ เป็นสาการสารจากตัวเพื่ออะไรมันเหนือเรื่องเหนือนี้นะพฟาดลงไปให้มันหนักมือปฏิบัตเราเห็นโทษถึงเรื่องความเกื่อนข้นวุ่นวายเฮ้ยโอกโถมกับครูวาจามาละเหล่แหลแหล่ให้เห็นต่อหน้าต่อตาเห็นมาแล้วอย่าให้เห็นอีก น, นะนี่แต่เห็นมาแล้วต่อหน้าต่อตาถึงขนาดที่พูดอย่างจะ็มเม็ดต็หน่วยให้เพื่อนสูงพังมันก็เป็นประยังที่พูดไม่เห็นผิดไปนี่ก็ดี อมีเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์มันเอ่อข้อเล็บนะมันไม่กลางเล็บออกมาแต่มันก็เห็นเล็บอยู่จนหน้นั่นแหละเวลาต่างหากจากครูบาอาจารย์หรือห่างเหินจากครูบาอาจารย์ไปแล้วมันจะกลางเล็บเล่นเต็มเพลนนั่นแหละเพลนของกิเลสมันะใครมีดีข่าวจะวิเศษวิโสยังานมันก็จะแสดงตัวให้เต็มพรมแหละทั้งๆที่มันไม่มีเศษคอยดูกัรู้กันแล้วมันก็เป็นแล้วอย่างตัว มีจำนวนไม่อยากพบไม่อยากเห็นนะมีจํานวนมากจานวนน้อยใครจะเอาถือใครว่าเป็นใหา่นอกจากเหนือประจากษ์ธรรมธรรมเท่านั้นที่จะทําให้รับความล่เย็นเป็นสุขสันติสุขในหมู่คณะด้วยกันอยากเข้าใจว่าเรียนมากรู้มากอยากเข้าใจว่ามีฐานะดีอยากเข้าใจว่าเป็นคนท่านนั้นท่านนี้ซึ่งเป็นเรื่องของโลกอย่านําเข้ามาเกี่ยวข้องในวงของพระซึ่งมีแต่ธรรมคือความถูกต้องดีงามล้วนๆเอาตรงนั้น อยู่ด้วยกันให้พูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลผูพ้พูดก็ให้พูดโดยเหตุโดยผลผู้ฟังฟังห า, าความจริงอย่าฟังหา เ, าเรื่องความทะเลาะอย่าฟังเอาทิขีมานะเมื่อทิขีมาหน่ามันเกิดขึ้นภายในใจแล้วมันก็อาจอั้นขันใจในหัวใจตัวเองเดี๋ยวมัน ก, กระเดินออกมาระบาดออกมาทะลักออกมาให้รับความรักต่อเพื่อนฝูงด้วยกันจํานวนมากน้อยจนไดน้วงปฏิบัตินี้ต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันอันนถึงอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุก ถ้าไม่เหมือนอวัยวะเดียวกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำนั่นแหละที่จะทําจิตใจของเราแต่ละท่านนะองค์ที่หยุดํานวนมากนี่ให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ด้วยความผัดความจิงด้วยความมุ่งอับมุ่งทำไม่ใช่อย่างไร่ยอย่างอื่นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่ผมเองผู้ปกครองหมู่เพื่อนหรือนี่ที่หมู่เพื่อนเสดสันต์ตั้นยาวว่าผมเป็นครูเป็นอาจารย์เข้ามาใาสายผมให้ผมแ น, นะนําักเตือนสอน <là> ผมก็ไม่เคยถือหน้าวาสนาผมให้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยผมประกาศตัวกับต่อหมู่เพื่อนเสมอถ้าผมผิดน่าจะว่าได้เลยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจเพราะทำเหนือ <us> ผมนี NP ่แล้วผู้นำธรรมมาตักเตือนต่างสอนผมผมจะไปขัดข้องได้อย่างไงถ้าขัดข้องผมก็ไม่เป็นธรรมก็ไม่ควรจะอยู่กับหมู่กับเพื่อนหรอกสิสอนหมู่เพื่อนไปเพื่อประโยชน์อะไรแล้วขอไม่เป็นธรรมถือทิฏฐิมานะเอาทิฏฐิมานะมาเหยียดย่ำทาลายธรรมแล้วจะสอนหมู่เพื่อนให้เป็นทิฏฐิมงคลได้อย่งไร นี่เราตั้งหนักเสมอในใจของเราเราให้เป็นการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่ได้นการสามูเพื่อนที่ที่อยู่ด้วยกันก็ให้พึ่งปฏิบัติอย่างนั้นให้ถือหลักธรรมเป็นสําคัญต้องให้อภัยกันเสมออย่ามองกันในแง่ร้ายให้มองกันในในแง่เหตุผลและเมตตาต่อกันเพราะความรู้อัปยาสายเกิดของคนเราไม่เหมือนกันผู้มีความรู้มากก็มีความรู้นอกก้อยผู้โง่ผู้ฉลาดมีสับคนกันไปผู้อยากผู้ละเอียดมีให้ต่างคนต่างระมัดระวังสิ่ง ได้ที่มีอยู่ในเจ้าของยิ่งสิ่งที่จะเป็นภัยต่อหมู่บ้านเราให้นำมัดระวังกําจัดให้ได้ให้ดียาแสดงออกมาเป็นอันขาดซึ่งเป็นการขายตัวอย่างเลวร้ยรยรายที่สุดให้อภัยไม่ได้เลยเนี่ยหลักของการปกครองการอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้จึงต้อง น, นำมัดระวังแล้วพูดเสมอว่าการปกครองเป็นของนํ่งการไม่ใช่ว่ามีเท่าไรมาเท่าไรเออเอออยู่ไปอยู่ไปมันไม่ใช่อย่างนั้น ทางคนต่างหาพิเรดมาด้วยในหัวใจเจของทุกคนเพราะเป็นคนมีพิเรศเป็นปุถุชนทำไมจะไม่หาพิเรศถามพิเรดมาเป็นหัวใจล่ะและ้วพิเรดมันลงกับอะไรที่ไหนเมื่อไรแต่กับทํากับธรรมมันยังต่อสู้แม้มันจะจะแพ้ธรรมก็ตามมันต้องต่อสู้ซะก่อนก่อนที่มันจะแพ้พิเรนะไม่กลัวอะไรนอกเหนือไปจากธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมคือสติเป็นสํางขัญปัญญาเป็นเครื่องไกกรองศาสอบพิจารณาเบิกทางเดินไปเพื่อความสงบเงย็นใจจากตัวเอง ทางการปฏิบัติก็ให้มันจริงมันจังยาละเลอกเลยแหละลยาเล่นอยากสำคัญว่าวันคืนปีเดือนเป็นของมีค่ามีราคามันมีราคาที่ไหนเมื่อจะแย้งเอาราคามาจากไหนสถานที่โลกอันนี้มันก็มีแตผ่นดินทั้งนั้นใ ค, ใครที่ไหนอยู่ที่ไหนก็อยู่แผ่นดินใครสูงใครต่ำที่ไหนไปอยู่กับแผ่นดินด้วยกันนีใครที่วิตเสียวิโสไปที่ไหนถ้าไม่ทํากิตใจให้วิเศษวิโสด้วยธรรมซึ่งเป็นของประเสริฐอยู่แล้วและสมควรกันกับใจ ใจเป็นพาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมมีเท่านี้ให้พากันสนใจตั้งหลักตั้งเทียนลงให้ดีจิตใจให้รับความสงบทำไมาจะสงบไม่ได้เล่าฝึกฝนอบรมใจด้วยธรรมเพื่อความสงบพระพุทธเจ้าส ง, ไงบได้ด้วยธรรมระงับได้ดยธรรมปราบที่เดให้ชิบหายวายพวงไปได้ด้วยธรรมก็สงสัยที่เราถือเป็นชนะท่านก็ทุกข์ก็ลำบากท่านเพราะความปราบที่เยติได้ด้วยอดได้ยธรรมเหมือนกันเป็นพระสารคุณมาด้วยความบริสุทธิ์พุโทโธพุโทโธเหมือนพระพุทธเจ้า เป็นแต่ยังไม่เรียกองศาสดาความบริสุทรณ์นั้นเสมอกันเหมือนกันหมดแต่อัมราลักษณะความดึกตื้นหนาบางนั้นต่างกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากแต่ยังไงก็ตามนัตติเสดเยวปาประโยชน์หาความยิ่งความหย่อนต่างกันไม่ได้ในความบริสุทธิ์นั่นแหะครูของพวกเราเจรณาของพวกเราท่านดำเนินอย่างนั้นต้องยอมรับเสมอแล้วก็มาเป็นกติเตืนใจตัวเองอย่าให้ลดละเพราะถอยจิต อ, อย่ามันดิ้นไปไหนได้ เราเป็นพวกฝึกกิตจะยอมให้กิต ด, ดิ้นเยียบหัวเราไปต่อหน้าต่อตานี้เหรอไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนั้นมันแรงขนาดไหนเราก็แรงขนาดนั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายามันยังดื้อขนาดไหนไม่กินก็ได้ข้าวนี่วะมีจะต้องมีเงินเก็บขาจะฝึกทรมารมันเอามันจะอยู่หมัดอย่างว่าทางริพุทเจ้าท่านยกประมาเรื่องนักสารศีฝึกขัดม้าม้าตัวที่ฝึกขัดง่ายถ้ามันอยู่กินตามสะดวกสมาย พม่ามีหลายประเภทม้ามีทั้งสี่ประเภทนั่นั้นะประเภทหนึ่งเยี่ยมเกือจะพูดใช้ว่าเป็นประเภทอาชํานัยฝึกได้ง่ายใช้ได้ประโยชน์มากมารวดเร็วทันใจประเภทที่สองลดกันลงมาประเภทที่สามฝึกยากพอพม่าแต่ไม่หนักหนานักพอฝึกได้ประเภทที่สี่ไม่ได้เรื่องเลยต้องฆ่านั่นแหละไม่เกิดประโยชน์ เราจะทาขดก็เหมือนกันทันวลาพรถึงตอนสุดท้ายเบอกเราจท้าก็ฆ่าันเวลาพระพุริษุทธเจ้าเขฆ่าได้ยังไงพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาไม่ใช่ฆ่าศาสตร์เาก็ชักสะพานยังไงหลักทันวลานั่นปะทะปรมะมือจักทิจด้านเหมือนไม่มีหูมีตาใจก็มีแต่ความมืดบอดอยู่ภายในแ้วจะสอนให้มันเป็นอัตเป็นธรรมให้รู้อัรู้ธรรมรู้บาปบุญคุณโทษได้ยังไงก็เหมือนกับคนตายแล้วตั้งแที่มีชีวิตนั่นแหละนั่น จึงทักทพานให้สอนให้เสียไม่ต้เวลาอัดทำอะไรเลยอ๋อคาด่างนั้ น, ๆๆนะนเทียบกันกับสารศีเราไม่ใช่ประเภทตถทะปารมาเนี่ย่ะประเภทที่ฝึกฝนอารมได้เอาให้หนักให้มันได้ฝึกเราถ้แท้ไม่ได้ฝึกผู้ใดเราฝึกคนอื่นว่าคนอื่นต้องมีมู่งิตรมึงมีอะไรเลาทานในใจตัวเราเองพูดว่าก็ยังมีความเกลียดอกในใจกันบ้าง เราเองฝึกทรมานเรานี่เอาให้ได้เต็มเม็ดเต็มๆๆหน่วยอย่างใจหวังนั่นเลยไม่ได้เป็นอกเป็นใจตัวเองพอเห็นว่ากิเลสคือเรื่องขวางตัวเองต่างหาไม่ใช่เราขวางเรากิเลสขวางเราเราต้องสู้ความจริงมันกันแล้วหมอบจิตถ้าลงในท่าสู้กันขนาดนั้นแล้วยังไงก็ต้องหมอบให้เห็นสงบจนไดนเห็นไ้ยเขาอยู่ในโลกนั้นเราเคยพูดให้ฟังเสมัย โลกอันนี้เต็มไปด้วยหมุนไปตามสิ่งที่ชอบใจทั้งนั้น่ะรูปเสียงเสีรงเครื่องสัมผัสเป็นสิ่งที่โลกต้องการและรักชอบที่สุดไม่มีวันอิ่มพอและโลกไป ร, รับความชิ้หายล่มจมแล้วบนเพลระเ ม, อ, มอกันอยู่ทุกหย่อมนี้ยเพราะสิ่งเหล่านี้เองนะแล้วเราจะคุณค่าอะไรจากสิ่งเหล่านี้ส่วนผู้เห็นทำแล้วไม่มีใครที่จะบมดนอกจากอบุทานท่า น, นอย่างพระมหากระบุญตันวะสุขขังวาตาสุขขังวาตาสุขน้อยสุขนอนี่ท่านเป็นพระมหาศาสตร์มาแต่ก่อน ก็เด็จออกมาบวชและเป็นพระธรรมขึ้นมาแล้วท่านเกิดอุทานว่าสุกขั้งวาตสุขหนอสุขหนอน่ะั่นทั้ง่ท่านอยู่ในพระราชวังท่านไม่เห็นได้บวชไม่ได้เห็นออกุทานว่าสุขหน่อหนอเวลาเสด็จออกจากถินพัวพันทั้งหลายแล้วมาสลับภายในจิตใจออกอยู่โดยแล้วเป็นการจิตเบื่อจิตแล้วดูไหนก็สุขหนอสุขหนอสุขขังวาตสุขขังวาตนะ เราก็เอาให้ได้ที่สุขังวัตะอยู่ที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยสติด้วยปัญญาอย่านอนกับมีหลักทางแห่งสุขังวัตตะอยู่ตรงนี้วิเดตจจะตาไปด้วยความเพียรีิเด จ, จะพัดหมดไปด้วยความเพียรไม่ในหมดไปด้วยอะไรทาความเข้าใจกับตนไว้เสมออย่ยา อ, อ่อนแอหลักของการปฏิบัติ ธมะที่ที่เคได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจมีความสงบเย็นภายในใจมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจปัญญาเมื่อมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางเป็นบาปเป็นฐานเแี่ยให้พิจารณาอยากที่เกี่ยวเราอยากเข้าใจว่าธมาที่จะทรงคุณค่าให้เป็นของเลือดประเสริฐอันใดเลยเพียงแต่ความสงบตะล่ำกิเลสเข้ามาเพราะนั้นะถ้าไม่ฆ่ามันมันก็เพ่งท่านไปอีกที่เลยเมื่อตะล่้ามาสุขวันนี้ที้ขาคลายผ้า เอามาฆ่ามันจะตัวสองตัวเหมือนเหมือนกับเราเราไล่สัตว์ข้อคอกแล้วเราจะฆ่ามันทีจะตัวสองตัวค่าเรื่อยฆ่าเรื่อยฆ่ามันจนหมดข้อก็ได้เหมื่อไล่เข้อคอกแล้วสมาธิเหมือนกับไล่สัตว์ข้อคอกคือไล่ที่เรศเข้ามาสู่ความสงบแล้วทีนี้คขี่ทาไปด้วยปัญญาอยากนั้นอยากนี้ดูเห็นอนี้จังเต็มหัวเต็มร่างกายเต็มกิตใจทำไมจะไม่รู้รูปทั้งรูปนี่มีอาการใดที่ไม่เป็นอาิจจังทุกขังตาเห็นให้เป็นพื้นอยู่อย่างชันชัดอย่างนี้เราค้านความจริงไปไหน อันนี้จังแปรสภาพตลอดเวลาทุกขังใครเป็นทุกก็คือผู้แบกผู้หามนี้แหละเวลานี้มันเป็นทุกอะไรจะเป็นทุกนอกจากผู้แบกผู้หามเป็นทุกคือหัวใจนันเด็เห็นโทษในความหลงของตัวเองที่ไปแบกขามแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาอน้าตาเนี่ยตาชะจารตาชะจาร์คำว่าเป็นจัตุปนบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาเป็นหมดแล้วภายในร่างกายก็ดีภายในกิจเจตสิกธรรมที่แสดงมาล้วนแล้วแต่ตัวอนนี้จังทุกขังหน้าตา ว่าเราลงประตามันเจตสิกรรมเจตแดงมานี้มันก็เป็นตัวสมุทยัยก่อตัวเป็นที่เป็นไปขึ้นมาจากเรานั่นแหละลนะถ้าใช้ปัญญาพิพจารณาใช้ส่วนกะไปให้เห็นเป็นอันจังตุ ข, ขังอนัาแล้วสิ่งนี้ก็ระงับดับไปดับไปดับไปเรื่อยๆไม่พ้นจากความจริงขอให้พิจารณาอย่างสติปัญญา ล, ลงไปถึงพื้นฐ า, านข่งความจริงคืออันอจังทุกขังอนาาัตตานี้เป็นความจริงซึ่งเป็นพื้นฐ า, านอยู่ภายใน ร่ากายจิตใจของเราในขันทั้งห้านี้มีอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่เสมอที่จะต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของมันเรียกว่าปัญญาหรือจะพิจารณาเรื่องอสุขภาพเอาให้มันเห็นกระทัศนสิในตัวขงเราเนี้มันมีชิ้นไหนเป็นชิ้นดีชิ้นที่หอมหวนชวนให้ชมชวนชวนให้ดมมีที่ตรงไหนเนี้ยแต่ผิวหนังมันก็เห็นบางหนึ่งแล้วเยอิอมเข้าไปข้างในนั้นมีอะไรอีก มันบางยิ่งกว่าอะไรกระดาษหนึงหนากว่านี้นะที่หลอกตาเนี่ยหนาไรพี่นึกสังคืงขอขังตาแล้วยังไม่แล้วดูความอรูภะสุภังปาชาผีดิบไม่ทราบแบเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรเต็มในนี้นหมดทั้นแหละไม่ปาชาผีดิบนี่ไปรวมกันต ร, ตรงนี้มีปาชาผีดิบเรายังไม่ตายคนนั้นตายแล้วเอาฝังตรงในนี้นี่แล้วเมื่อเราตายแล้วก็เป็นปัจ ถ้าผีตายดูให้มันชัดเลยสติปัญญาเนีย่ยส่วนแบ่งส่วนดูให้ชัดจิตให้มันหมุนจิ้วจิวอยู่กับงานที่ตนทำยาให้มันออกไปเป็น่างบังคับให้ได้ตายก็ตายในขณะที่จะประกอบความเพียรต้องต้องเหมือนจะขึ้นเวทีเถอะไม่ได้เดี๋ยวถูกน็อกชักนึกตายไปเลยไม่เสี่ยงับสลบ อ, อันนี้เอาอย่างนั้นนกปฏิวัติ จังค่ะมันเห็นอย่างถึงใจอันนี้จังของเราแล้วก็ดูข้างนอกก็เหมือนกันสุขขังตาตาดูนี้กับข้างนอกมันก็เหมือนกันไม่เห็นพี่มีรายจิตการเพราะโลนี้เป็นโลกนี้อย่างสุขขังตาเอาอุปัตตุอังฐพิจารณาดูเราแล้วมันก็เหมือนกันอย่งโลกก็มีถูกของเป็นคุณสมบัติของสาวโลกโลกก็มีถูกคือรู้แจ้งเห็นจริงทั้งภายในภายนอกความันเป็นสภาพเหมือนกันหมดอย่างนี้ี่ยโลกก็มีถูกที่มีได้ขึ้นมาไปเป็นคุณสมบัติของสาวโลกทั่วไป ส่วนคุณสมบัติของพระเจ้าไม่มีแต่เพียงเท่ า, ทานี้ยังยังทราบความจริงของสิ่งทั้งหลายและแต่ทั้งหลายอีกด้วยโดยโลกกวิถีมีหลายขั้นหลายต่อเราไม่ไม่ต้องคิดไปนน้นให้เสียว เ, วเวลาเวลาหน้าที่ของเราจ่จะเอาให้โล ก, กวิถีในเรื่องรู้แจ้งห็จริ ง, ร ง, รงในเรื่องฐานเรื่องขันที่มีอยู่ภายในตัวที่มันถูกพัดระดิงกันอยู่ด้วยอุปทานเพรความรุ่งหลงของเรานี้เท้งไหร่แต่สําคัญเอาเอง ทางทท่านเดินทางท่านบอกว่ามันไม่ไปมันติดมันแร่มันปีนสองภาคทางหกล้มโครงกละดขนาดไหนมันก็ยังไม่ถอยมันไม่ยอมไปตามทางนั้นลหละเรียกว่ามันเป็นค่าศึกต่อมักติมาปฏิปทาฝืนมันลงไปเหมือนดูแจ้งเห็จริงทเรื่องถอดสัางขันแล้วที่เลือนมันจะไปไหน ในเด็เกิดขึ้นเกิดความสําคัญเมื่อแก้วความสําคัญด้วยความจริงแล้วมันก็ถอนตัวไปถอนตัวไปว่ามันลงบ้านหันแบมันไปนหมดมันถอนไปไหนถอนเข้าไปไหนมันก็ประหาจิตดวงเดียวเท่านั้นมนันหมดที่ยึด ท, ที่เกาะเพราะอำนาจของสทิ์ปัญญ า, า, าตีาาตรล่มลขเข้าไปตีต้านเข้าไปสร้านเข้าไปเมื่อก่อนวงแค่เข้าไปแค่เข้าไปสุดท่านก็ไปกองยในจิต เอานิวเคลียร์ลงในจิตอีกทีนิวเคลียร์หมายถึงอะไรประมาณนูหมายถึงอะไรจะทําลายเป็นมรดกสุดท้ายเอาชัยชนะก็มหาวิทย์มหาปัญญาที่อย่างลงไปตรงนั้นก็ขาดมันบ้านแต่กระจายหมดมันพบชาติที่ไหนมันกิเลสซึ่งเป็นตัวพบตัวพาให้เกาะพบเกาะชาติมันถูกทําลายลงไปหมดเรือขนาจของอาวุธที่ทันสมัยได้แก่มหาวิทย์มหาปัญญาแล้วมันก็หมดทั้นั้นมีแต่งานของชาต งานของผู้ต้องการพ้นจากกองทุกข์ในวัฏจักรสงสารไม่ต้องมาเกิดแก่สุตตาอีกก็คืองานการประกอบความภาคเปี่ยนนับตั้งแต่เจกศาลงมานะส า, าตันตาแตจูมาที่เท้าวิชาจะมอบให้สังเกตบุญตนจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายปีกระจายไปหมดงานแต่ขานาดไะด้วยความฉลาดความส า, า, ามารถทั้งตัวเองจะยกงานให้ได้มากขนาดไหน ม, มันได้เพรานั้นะติปัญญานีแล้วเราจะไม่ทําไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งสุดวิมุตท่านิพพาน ภายนปิดใจนั่นเราเรียวกว่าเสร็จแล้วงานได้ทำสาเร็จล ง, งไปแล้วไม่ต้องทําอีกเพื่อถอดถอนที่เด็ดตัวใดงานของพระให้พระกังจะอย่าไปคิดว่าบวชมาแล้วแต่ก่อนั่นสร้างนี้ไว้เป็นที่รึวัดสร้างวาังแล้วสร้างพระวัรหลปฏิมกากร ส, สาร้างโบสถ์สร้างฐานสร้างศาลาลงทำงเจดีมหาเจดียุ่งไปหมดก่อกวนบ้านเมืองยุ่งไปหมด เป็นสัมมาทิฏฐิเออเป็นสัมมาสังกปโสัมมาสังกัโตอย่างสัมม า, มาสมาังกัปโปมันสัมมาสังกัปโปในขั้นดาบนั่นแหละแต่สัมมาสังกัปโปขั้นดาบนั่นแหละมาเป็นข่าศึกต่อสัมมาสังกัปโป ข, ขั้นละเอยียที่จะค่าที่เปน็นภาริจใหญ่เกายเป็นมิดช้าสังกป่าไปเสียโดยมรดุดรสตทธุเอาตรงนี้เลยเอาไหนย่นเข้ามานี่สิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนเห็นอะไรเห็นชอบ ให้เห็นชอบตามงานของท่านที่สอนนี่นี่เกสารวมวารณาราคาธตาโตมันคืออะไรอย่างลงไปทั้งทั้งอันนี้ังทุกขาราตายังลงไปทั้งอสุภัสภังให้เห็นชอบตามที่ท่านสอนไว้นี่นี่ธรรมมาสั ง, งปกปะกับความดาดี่งเพื่อออกจากเครื่องผูกพันอะไรเป็นเครื่องผูกพันก็ความหลงสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องผูกพันตัวเองพิจารณาให้เข้าใจโดยปัญญาแล้วมันถอนตัวเอง่ธรรมมากรรมาตากเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้าง อยู่ในท่าอะไรอิเดียบตไดมีแต่การทํางานด้วยความมีสติเพื่อถอดถอนจดตตัวถ่ายเดียวสมาสัมาสัมมาสังมัติสัมาคีวะเลี้ยงจิตชอบในอารมณ์ของจิตอย่าไปคิดอารมณ์ที่เป็นทิศเป็นทายขึ้นมาเผาดมตนเองนี้แต่อารมณ์แห่งอัดแห่งทำเป็นเครื่องถอดถอนเจดเป็นเครื่องเลี้ยงจิตใจให้มีความรื่นเดิงมันถึงมีความสงบเย็นใจมีความสง่าผ่าเผยนั่นสัมมาคีว่ะสมาสมาวายามาเพียรชอบท่านก็บอกเพียรในที่ศีรษฐานเหนไหมเนี่ย เปลี่ยนละบาปเป็นเพันบุญเป็นเปลี่ยนละบาปที่เกิดที่ล้วไม่เกิดขึ้นเปลี่ยนละที่เกิด ท, ที่มั น, มนละไปแล้วให้มันเกิดขึ้นดีแล้วพยายามอบรมทำที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและทำที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นโดยลําดับลําดาหนะทางความเพียรสี่อย่างก็คุ้นแล้วนี่ธรรมาวายา ม, มาธรรมาสติแล้วลืกอยู่ที่ไหนท่านบอก าจะไปทางสติปัฏฐานสีก็ลึกอยู่ในกายกายายกยานวสีบิหารติท่านแจกพิคุกายเกานุสิบหาติอิทาพิุอตังวากายเกยิบิหารติวิถีวากายเกานุสบิหารติอจตระหิถทวากายเกานุสิบิหารติสมุทญาธรรมากายเยกานุสหาติยะธรรมา กายกัญญูสีวิหารติสมุริยาวิยะธรรมากายกัญญูสีวิหารติพิจารณาการในการเลื่อยแต่แล้วก็กายนอกก็มีกายในก็ดีเราพิจารณาเห็นการนอกพอดีเห็นการในพอดีเราพิจารณาเห็นการในการตัวเองก็ดีไล่ไปโดยดำดับเราเมื่อเห็นแล้วก็อยู่อยู่อยู่ด้วยความสงบสุอยู่ด้วยความสงบสนี่เรียกว่า เห็นกายในกายเห็นเรียกว่าพิจารณากายในกายในบทสุด ท, ท้ายท่านย่นเข้ามาว่าอ ต, าาตาาาิตายติวะณะสติปตุปติตาโหติยาวาเดวะยาวาเดวยวัญาณมัตตาละิปิติมัตตาอันนี้สตจริหาตินัานแจโเกวปายาติเบังโคภิคุกายุการที่กายานุที่หารติเนะจะพูดถึงเรื่องสูตรท่านก็ บ, บอกว่างั้นสติอย่างตรงไหนที่พูดอย่างตงกาย ถ้าพิจารณากายเอาพิจารณาจริงๆให้มีจิตรู้อยู่กับกายเท่านั้นสติควบคุมอยู่กับกายนีเท่นั้นจะแยกไปในส่วนใดอวัยวะใดแงใดของกายเอาให้มีสติสืบเนื่องไปโดยลำดับนี่แล้วกับพิจารณาเวทนาก็เหมือนกันให้สติติดแนบไปกับงานหเลยให้มีความรู้อยู่จำเพาะเวทนาเท่านั้นไ ม, ไม่ให้แยกให้แยกไปไหนอเรื่องทําเรื่องจิตก็เหมือนกันนี่กับกายเวทนาไม่เห็นผิดกันอะไรเลย ลงนอันเดียวกันอธิกาโยติอธิเวนาติอธิจิตตันติอธิธรมมาติว่าพระราว่าพระสาสถิปฏิบปติจารโหติเหมือนกันนั่นแหละลงอันเดียวเดียวกันหมดคือสติให้เราลึลอกอยู่ในสะี่สถานนี้สถานใดสถานหนึ่งก็าตามให้จริงจังในสถานที่ท เ, ปเป็นที่ระลึกของสตินี่เดียวกันแล้วเลือกชอบท่นไร อ, ยอย่นั้น นะถูกต้องด้วยหาความผิดเพีพ้ยนไปไม่ได้เลยหรือจะพิจารณาถึงเรื่องทุกสมุทัยรสนักมันก็อยู่ในวงสัจธารมเสียเดียวพันพูดอะไรก็เหมือนกันเหมือน ก, นกับดูข้างหน้าข้างหลังของคนคนเดียวนั่นแหละข้างหลังก็ของคนคนนั้นเสียข้างหน้าของคนคนนั้นเสียข้างซ้ายข้างขวาของคนคนนั้นเสียค น, น, นยคนเดียวนั่นแหละองค์สัจธรรมเหมือนกันพิจารณาให้จริงให้จังเนี่ยสาคัญอยู่ที่ตรงนี้นิตรกริกรกับ แ ม, มันทุกวันนี้มาพิจารณามันย้อนไปทุกแห่งทุกคนตามประีประสารกัของนินาชน์ไปอ่านดูสติประฐานี่แล้วกำหนดตามมันแมมันจิตมันคล้อยตามตามความรู้สึกของผมผมพูดตามความจริงทางกับปฏิบัติมาอันนั้นแต่ละคณะสูตรจิตใจยังขัดกันเป็นจริงผมจึงทำความเข้าใจเอาว่า ผรตนานี่อาจะตัดเอเสียกันไกันหรวเทศทํานรางากตะกินนักกะอะไรอย่างนี้ท่านวท่า่งกี่เกล็ดท่านย่นย่อเสีรษตนามันเหนือจะพูดไปตามแถวเวตนาสัาสังขารนิยามันก็ไม่เหนือจิตมันก็ต้องกท่าเท่าจิตนี้ดูปัติมิงปีนีบินาติเวรนาหรืปีนีบินติท่ัน ยาจะปีวิิจิสร้างขาระายปีินิิปญญาไม่งปีนวินิจติเบื่อหน่าในลูกในเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี่เป็นดังรากติเนี่ยเมื่อเบือาย่อมย่อมคลายกำลันี่มีดังรากติไปั้นเมื่อคลากำลัิตรู้กันผูกคนเมื่อิตรู้นรลงานควารู้แจ้้าเิลู้นแล้วย่อมมือเวลาเรามาเทียบมาพิจารณาตามนี้เรามันไปไม่ได้เมื่อไปถึงแค่ขันห้าคือรู้เท่าเอาพ่นง่ายไหม รู้เท่าในขันห้าในรูปในเวทนานสัญสังขารอ ย, อย่างหรือเบื่อหน่ายก็หมายถึงว่าความเห็นโทษของมันอย่างชัดเจนมันเองพุง่งในไงแต่ว่าเบื่อหน่ายความเห็นโทษมันการพิจารณาทีนเห็นชัดจากเห็นโทษแล้วก็เห็นเป็นความจริงแต่และอันแต่ละอย่างลยอย่างไปแล้วมันยังไม่แล้วอการพิจารณาเห็นความจริงแต่ละอย่างอย่าไม่ยึดมันวิ่งเข้าไปถึงใจมันก็ไปยึดใจอยู่ในใจจนได้ที่เดียววิ่งเข้าไปถึงนั่นความที่มันถึงมันนี่ต้องฟาดตรงในกิตอีกทีหนึ่งมันพังทลายไปแล้วมันจะหมดปัญหา นี่เรามันขัดตรงนี้เราเคยย้ําย้ํถามผู้ปฏิบัติทั้งหลายพูดไปแบบสุ่มดาวดาวแล้วเราขี้เกียจพูดไม่ียุที่หาสิดค้านมัได้ก็คืออธิตฐานพิจารณาสมนี่เราค้านไม่ได้เลยการปฏิบัติเวลาเอานี้มาเทียบเทียงกันแล้วกาบสนิทคือมันลองได้อย่างเต็นอะไรอะไรทั้งว่าดูปัจจุบันปีปีนิตย กูติมมิ่งติมิมิติรูปเอนจิปิโนบิโนติเหนนานะคือเบื่อหนานในรูปแล้วก็เบื่อเบื่อหนานในตาแล้วก็เบื่อหนานในรูปเรื่อยไปแล้วเบื่อหนานอันวิญญาที่เกิดจากนี่เบื่อหนานแล้วสัมสัมผัสในเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเราเตยเอาไปเลไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีแล้วเบื่อหนานเรื่อยนี่เราจะสรุปไปเลยไหมนะคือตาหูจมูกริางกายใจกับรูปเสียงยีรถเครื่องสัมผัสทำมาลง เป็นคู่เป็นคู่กันไปเมื่อเบอื่อหน่ายในตาก็เบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในหูก็เบื่อหน่ายในเสียงเอาอไปนี้เลยตลอดถึงอความสัมผัสที่เกิดเวทนาะจะเป็นสุกเป็นทุกข์เป็นเฉยเฉยก็เบื่อหน่ายไปโดยลําดับๆนี่สุดท้ายมนัคที่ ม, นมินิมีนาตินานตรงนี้แหล ะ, ะเบื่อหน่ายในจิตทำเมสุปิเดวินติเบื่อหน่ายในธรรม ท, ที่มารมที่เกิดการในจิตออกตรงนั้นกับเบื่อหน่ายทั้ง มีชนะสุขทุกข์ไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อหนายไม่กินแล้วเนีเมื่อหน่ายกินที่มาเกี่ยวข้องกับจิตทั้งจิตแสดงมาเป็นผลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆออกอย่างนั้นกับพอเสร็จแล้วกับนิพพินดังวิรา ก, กติแล้วก็เลื่อยไปเป็นตลอดสายวิมุตนิมุตตมีติญาณังโอติวิจามบามจาระมังสารายังกจางกลางยัง ไ, งไปเนี่ยอันนั้นไปเหมือนกันแต่สําคัญที่ไปลงที่จิตจิตเป็นของสําคัญเป็นที่รวมของพิเลศทุกประเภท แต่พิจรณาประเภทใดก็ตามลงไปอยู่ที่นั่นหมดหลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่เราพูดเราพูดจริงๆเราพูดอย่างอาบฐานเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนั้นเวลาปฏิบัติมันค้านกันที่ตรงไหนมันแยกกันที่ตรงไหนเราพูดได้ตามความแยกส่วนถูกหรือผิดแล้วแต่ใครจะนําไปพิจนาถ้าเราอนัตตาขัตตสูตราาเราเป็นอย่างนั้นน่ะเนความรู้สึกของเราเราก็ยกไว้เกี้ยวเหมือนจะได้เรื่องหนึ่งแล้วอะไรไหน ท, นที่มันลงกันอยู่แลกก็ยอมรับกันไปเช่นนี้นอริยปริยาสูตรนี่ลงกันร้อยเปอร์เซ็นต์าที่ค้านไ่ไ ตั้งแต่ต้นจนอวส า, มานมนติมี่งปีริบินิติธรมเียปีริบิติเงือนมโนวิญญาณในปีริบินิติน่นมโนซ้พัดเสปริบินติยำเป็นมโนัมภาษาปัาปัญิเวตาสุขข้างวาดอดข้างวักรรมสุขข้างว่าตั ด, ด, ดตมิงปีริบิตินั่นรวมยอดมาเ บ, บือนหนเาเหล่านี้หมดคำ ว, ว่าตาจมิงหมายว่าโยกเอาตัวสิ่งที่เคยพูดมาแล้วนันมาเป็นสรพนามโยกอี๋ยวยกคือเนเขาคำเดียวนั่นเส้นที่แรกนายนกอนายขอนายงอพอสุดท้ายเขาเหล่านั้นบัญคนเดียว เขาเองมีเสมอกันดวงพุ๊บอัติสิ้นสิริวินาีลงมดนี่เป็นทางวิรัติิีาาที่อาารตลอดสายมีรายหย่อนมีเราปฏิบัติของเราเป็นองั้นจริงๆเออเคยปวดให้ห น, นูพูดบางเรื่องทำไมไปพิจารณารล้วก็พิจารณาไม่ได้รูปเคยพิจารณามันก็ไม่ได้เรื่องอัศวะอัุวังเคยพิจารณาแล้วก็จนแหลกกระจัดกรจายสุน้ชํานานของแถวแฉกกราพิจารณาไพิจารณาอะไรหอด อาจะภาคอะไรหมดไม่มีเหลือที่จะพิจารณาทีแรกไม่หมดพ อ, อย่างสมา ถ, ถึงภาพภายในนี้นแล้เอาจะภาพภายนอกมันก็หมดภายในมันก็หมดมันเลยว่างมันก็จะพิจารณาอะไรก็ไม่ทันถึงทันก็ไม่สนใจจะพิจารณานั่นเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรร่างกายนี่เราไม่เห็นมีอะไรนอกจากมันว่างไปหมดแล้วมันยังไมายึดอีก ด, ด้วยนี่เพ่าะอ สุดท่านมันก็นไปอยู่ที่จิตมันก็นไปหลงอยู่ที่จิตเคลื่อนอยู่ที่จิตสงวนอยู่ที่จิตเฮ้ยแต่ว่าแบก็แบกขามอยู่ที่จิตหนึ่งไม่รู้ตัวเอรักสงวนจิตมีอะไรมาแต่ซ่อมไม่ได้ความสง่าผ่าเผยกับตัวนั้นแหละเพราะรักสงวนก็อยู่นั้นแหละก่อความกังวลแต่ตัวเองอย่างอื่นมันพิจารณาหมดแล้วมันปล่อยไปหมดมันไม่สนใจกับอะไรแต่กงนั้นมันไม่ปล่อยมันยึดต่อยนอกแล้วก็มายึดในต่อยนอกลูกเขียงกินรถจักรยานฝัดเป็นนอกอันหนึ่งต่อยนอก รูปเวทนาต่างจังสักขันวิญญาณนี่เป็นนอกกันหนึ่งแล้วมายึดภายในขึ้นเป็นตัวการเหมือนกันเขายึดใจนะจิเล่เข้าไปโดนมันให้หล่อหล่อให้ยึดอีกแล้วเขาจะว่าวิชาไม่ละเอียดเหนือพินายที่เสียขนาดไหนอวิชานั่นตัวการจริงๆน่าทำให้หลงไม่ว่าสติปัญญาขนาดไหนมันจะต้องงงไปซะก่อนแหละแต่เราทำไม่นานเท่านั้นแ่ะเมื่อฟาดลงไปตรงจุดนั้นทางตารางกันแล้วที่ไม่เห็นว่าอะไรอืม มีอะไรที่จะให้คิดเป็นมามีอะไรที่ตกค้างมีอะไรที่ให้สงสัยอืแต่เนี่ยปฏิบุรณ์พระเจ้าพรจนิพพานกี่ปีกี่เดือนแล้วคืออะไรนิพพานอยู่ที่ไหนตัวนิพพานนั้นคืออะไรมันก็หมดปัญหาไปหมดโดยประการทั้งแต่ว่าสงฆ์ชาวโลกกี่หมื่นกี่ล้านองค์ก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยพอเข้าถึงตรงนั้นแล้วเท่านั้นเป็นนั้นว่ารอบไปหมดเรื่องความนิานไมหมายต่างๆไม่มีอะไรเหลือขึ้นคือว่าสมมติในโลกนี้เข้าครอบติดนั้นไม่ได้นอกความจริงล้นลวนที่เป็นความจริงอนิเสตเท่านั้น จะว่าอยู่ก็อยู่นั่นผลของงานที่ปฏิบัติยังเอาจริงกาจัิงไปไหนไม่ไดต้ต้องมาลงตรงไห น, นี้ให้เชื่อทำยาเชื่อที่เลสเราก็เชื่อที่เดสมาฉี่กับฉีดกันนั้นเฉพาะอาัตภาพนี้เราก็เคยเชื่อมันมาแล้วความโลภมันเคยพ า, ด, าดีความโกรธความหลงมันพาดเราได้ดีเดีด้อะไรบ้างราคาตันถามสารเรา้ดีๆได้อะไรบ้างการแก้สิ่งนี้เห็นจะยากลําลบากยากขนาดไหนตายได้ไม่หิ้งตายใช่ไมพระพุทธเจ้าไม่หิ้งตายสาวกไม่ห็นตาย ทำไมเราจะตายคนเดียวเรามีปัจจายแตของเราคนเดียวในเวลาประกอบความเพียรมันเป็นเพราหอ่ไรทราบเจ้าของเข้าไปที่ถ้าเป็นนักปฏิบัตินักกสิปัญญาที่จะค้นควา้าหาความจริงต้องถูกต้องค้นเข้าไปให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละท่านท่า น, ท, านที่พูดนี่เพียงว่าหยิบยกให้ชิ้นใหญ่หรือว่าไม้ทั้งดุนไม้ทังท่อนให้ไปเจรณาเองให้ไปเรื่อยไปใช้กลร่มเยวกันเองมีกันยกให้ยาบพลันทางพิจารณาเอาให้จิงให้จังนักปฎิพัติ พออยู่กับหัวใจทุกคนนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเป็นได้เพียงว่าตัวทจงหมไทยนีม่มันคาบไว้หมดมันมั่เห็นตัวของนิพพานที่อยู่ภายในนั้นมันมาปิดมากไว้หมดเสีอหุ้มห่อไว้หมดเสีอไม่เห็นหลอกเราด้วยทีนึงอันไหนที่เป็นเรื่องจะเป็นไปตามมันมันหลอกมันหลอกมันห ล, ลอกแหละให้เข้าใจดีนะอเอาแบบนี้ไปท่านปัญญาอธิบายดูเพื่อน